บุ๊กทูหกสิบที่ธนาคารอุบานซีดิฉันต้องการเปิดบัญชีอยา e l i m и м отворить р а с นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน ovo je moj p a, mo ja a s kan o และนี่ที่อยู่ของดิฉัน아오보예모야아드레ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน Я ж e l i m уплатити н ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางอย j ก желим ใช้ที่อิสระจากบัญชี ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะคุลิคิสู o ทรชคอวีดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะกดเอมมอรัมปตปีสติดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน ovo je moj broj računa เงินเข้าหรือยังคะ dalje novac s ja t i g o ดิฉันต้องการแลกเงิน ja e l i m zamenići taj novac ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ ja trebam a m e r k e dolare กรุณาขอแบ่งย่อยค่ะ Mol ได้ m ห sit นเงินนที่นี่มีตู้เอทอมไหมคะมีมาลีขสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะโะสามใช้บัตรเครดิตอะไรได้ไดบ้างคะ